พวกเราเป็นชาวพุทธมีศรัทธาความเชื่อความเลื่อมใสในพระพุทธเจ้าในพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าและในคำสอนของพระอริยสงฆ์สาวกทั้งหลายการที่เราจะเป็นชาวพุทธได้อย่างสมบูรณ์ ได้รับประโยชน์อย่างเต็มที่จากพระพุทธศาสนาเราต้องทำหน้าที่ของชาวพุทธให้สมบูรณ์หน้าที่ที่พระพุทธเจ้าได้ทรงมอบให้แก่ชาวพุทธเพื่อประโยชน์สุขที่จะเกิดขึ้นแก่ชาวพุทธและชาวโลกก็คือ 1. เราต้องศึกษาธรรมสองเราต้องปฏิบัติธรรม 3. เราต้องบรรลุธรรม 4. เราต้องเผยแผ่ธรรมนี่คือหน้าที่ของพวกเราชาวพุทธที่เราควรจะทำกันอย่างเป็นขั้นเป็นตอนเพราะ ถ้าทำไม่ถูกขั้นถูกตอนประโยชน์สุขที่พึงจะเกิดก็จะไม่เกิดนั่นเองการที่เราจะเผยแผ่ธรรมให้แก่ผู้อื่นได้เราต้องบรรลุธรรมก่อนต้องรู้ธรรมก่อนการที่เราจะบรรลุธรรมได้เราต้องปฏิบัติธรรมก่อน การที่เราจะปฏิบัติทำได้เราต้องศึกษาธรรมก่อนดังนั้นเราควรที่จะทำตามขั้นตอนที่พระพุทธเจ้าได้ทรงวางไว้เพราะไม่ฉชนนั้นแล้วการกระทำของเราจะไม่เกิดเป็นผลเป็นประโยชน์ขึ้นนั่นเอง จากนั้นขั้นแรกที่พวกเราควรที่จะทํากันก่อนก็คือศึกษาธรรมศึกษาพระธรรมคําสอนของพระพุทธเจ้าเพื่อให้รู้ว่าเราจะต้องปฏิบัติอะไรกันเพื่อที่เราจะได้รู้ว่าเราจะได้บรรลุอะไรกันหลังจากที่เราปฏิบัติกันแล้วพอเราได้บรรลุแล้ว เราก็จะได้รู้ว่าเราจะเผยแผ่อะไรกันนั่นเองดังนั้นสิ่งแรกที่เราควรที่จะกระทำก็คือการศึกษาพราะธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าอย่างที่พวกเรากำลังมากระทากันในขณะนี้คือการฟังเทศฟังธรรมเรียกว่าเป็นการศึกษา เอาทำคำสอนของพระพุทธเจ้าเพื่อให้เรารู้ว่าเราควรที่จะปฏิบัติอะไรกันบ้างปฏิบัติแล้วเราจะได้บรรลุถึงอะไรกันบ้างนี่คือสิ่งแรกที่เราต้องทำกันคือต้องต้องศึกษาพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้า ในาการจะศึกษาพระธรรมคําสอนของพระพุทธเจ้าต้องศึกษาจากแหล่งที่เป็นแหล่งแท้เป็นความเป็นคําสอนของพระพุทธเจ้าอย่างแท้จริงเพราะถ้าเราไม่ได้ศึกษาจากคําสอนของพระพุทธเจ้าที่แท้จริงเราจะไม่ได้ความรู้ที่แท้จริง ที่จะนำไปปฏิบัติเพื่อให้กอดผลได้อย่างแท้จริงนั่นเองดังนั้นบุคคลที่เราควรที่จะศึกษาก็คือหนึ่งพระพุทธเจ้าสองพระอริยสงฆ์สาวกของพระพุทธเจ้าสามพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าที่ได้มีการบันทึกเอาไว้ในสื่อต่างๆ ที่ได้มีการจดจำมานกตั้งแต่วันที่พระพุทธเจ้าได้ทรงแสดงพระธรรมคำสอนต่างๆก็มีพระสาวกของพระพุทธเจ้าทั้งหลายได้จดได้จำการเอาไว้แล้วได้นำเอามาถ่ายทอดให้ต่อผู้ที่มาศึกษามาเ ร, มเรียนกันกันอย่างต่อเนื่องจึงถือว่า เป็นคำสอนที่แทนคำสอนจากพระโอษฐ์ของพระพุทธเจ้าได้เพราะตอนนี้เราไม่มีพระพุทธเจ้าแล้วแต่เรายังมีพระธรรมคำสอนที่เราได้มีที่ได้มีการจดจําบันทึกกันเอาไว้และถ่ายทอดกันมาจนถึงปัจจุบันนี้นี่คือแหล่งคำสอนของพระพุทธเจ้า ที่เราควรเข้าศึกษากันคําสอนของพระพุทธเจ้าที่ได้มีการจดจำและบันทึกไวน้นี้เรียกว่าพระไตรปิฎกพระไตรปิฎกนี้เป็นคําสอนทั้งหมดของพระพุทธเจ้าที่ได้ที่ได้มีการจดจําและบันทึกไว้ได้แบ่งไว้เป็นสมภาคด้วยกันสมส่วนสาแปลว่าไตร ปิดกนี้แปลว่าตาก้าตาก้าก็เหมือนภาคหรือส่วนที่เราจัดหมวดหมู่คำสอนของพระพุทธเจ้าแยากไว้เป็นสามส่วนตามตามความรู้ที่ได้ทรงแสดงไว้ส่วนหนึ่งส่วนที่หนึ่งเรียกว่าพระพระอภิธรรมพระอภิธรรมปิดกเรียกว่าตาก้า อันแรกเรียกว่าพระอภิธรรมอภิธรรมก็คือคำสอนของพระพุทธเจ้าที่เป็นหลักธรรมที่เกี่ยวกับธรรมโดยตรงคือไม่ได้เกี่ยวกับเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นในขณะที่พระพุทธเจ้าได้ทรงสแสดงธรรมต่างๆไว้เป็นการรวบเอาตัวหลักธรรมต่างๆคาสอนต่างๆ เช่นพระอริยสัจสี 4, ม 8, ่มรรคแปดใจรักษณ์เป็นต้น อ, อันนี้เรียกว่าพระอาภิธรรมปิดก เ, เป็นตะก้าของที่บรรจุคําสอนของพระพุทธเจ้าไว้หนึ่งตะกา้ตาตะก้าที่สองเรียกว่าพระวินัยปิดกพระวินัยนี้จะเกี่ยวกับคําสอนที่พระพุทธเจ้าได้ทรงสอน ให้แก่ภิกษุภิกษุณีคือข้อกฎบังคับต่างๆพระวินัยวินัยแปลว่ากฎระเบียบกฎระเบียบของพระภิกษุและของภิกษุณีเช่นพระภิกษุก็มีกฎระเบียบอยู่สองยบเจข้อที่เรา เ, าเรียกว่าศีลของพระภิกษุพระปาติโมกส่วนพระภิกษุณีก็มีอยู่สามอยกว่าข้อ อันนี้ก็จะบรรจุไว้ในส่วนของพระวินัยปิดกส่วนพระสูตรตันตะปิดกก็คือพระสูตรคือพระธรรมเทศนาต่างๆที่พระพุทธเจ้าได้ทรงแสดงไว้ตามสถานที่ต่างๆ ต, ต, ต, ต, ตลอดระยะเวลา4 5่สิบาพันของพระพุทธเจ้าเช่<ม>นพระสูตรอันแรกที่ได้ทรงแสดง ก็คือพระธรรมจักรกับประวัตนสูตรได้ทรงสแสดงให้แก่พระปัญจวัคคีนภปายิสิปตาณะเป็นต้นพระสูตรนี้จะมีการเล่าเหตุการเล่าถึงสถานที่เวลาและบุคคลที่รับฟังพระสูตรเหล่านี้อันนี้ก็จะบรรจุไว้ในพระสูตรตันตปิฎกเป็น ต ก, กาที่สามมีสามตะ ก, กาสามปีดกคือไตรปิดกนี่คือที่มาของคาว่าพระไตรปิดกเป็นที่รวมของพระธรรมคาสอนต่างๆของพระพุทธเจ้าที่พวกเราชาวพุทธควรที่จะศึกษากันแต่ไม่จำเป็นจะต้องศึกษาให้ครบทั้งหมดเพราะว่าคำสอนนี้ ถึงแม้ว่าจะมีมากมายถึง 84,000 พบทแต่เนื้อหาสาระนี้จะมีอยู่อันเดียวเท่านั้นคือการดับทุกข์วิธีการดับทุกข์ต่างๆพระองค์ทรงเปรียบเหมือนคำสอนของพระองค์ว่าเหมือนกับน้ำในมหาสมุทรที่ถึงแม้ว่าจะก้างกว้างใหญ่ไพศาลขนาดไหน ก็มีลดของความเค็มเหมือนกันหมดไม่ว่าจะไปเอาตักน้ําจากมหาสมุทรส่วนไหนก็จะได้น้ำเหมือนกันได้ความเค็มเหมือนกันไม่ว่าจะอาศึกษาพระวินัยพระอภิธรรมหรือพระพระสูตรต่างๆก็จะได้ทราบถึงวิธีการดับของความทุกข์ต่างๆดังนั้นเราไม่จําเป็นจะต้อง ศึกษ า, าพระไตรปิฎกให้หมดทั้งคัมภีร์เราเลือกศึกษาได้เฉพาะส่วนที่เกี่ยวกับการปฏิบัติของเร า, าถ้าเราเป็นภิกษุเราก็ต้องศึกษาพระวินัยเราเป็นพระสงฆ์เราต้องรู้จักกฎระเบียบของพระสงฆ์ถ้าเป็นภิกษุณีก็ต้องศึกษ า, ากฎระเบียบของภิกษุณี แต่ถ้าเป็นคาลวาาญาติโยมก็ไม่จำเป็นที่จะต้องศึกษาพระวินัยปิฎกศึกษาแต่พระอภิธรรมหรือศึกษาแต่พระสูตรที่พระองค์ได้ทรงแสดงพระธรรมต่างๆไว้ซึ่งคำสอนของพระพุทธเจ้าจะสรุปลงก็ที่มรรคแปดนี้นั่นเองมรรคแปดก็คือวิธีการ ปฏิบัติเพื่อการดับความทุกข์ต่างๆที่มีอยู่ในใจของพวกเราให้หมดสิ้นไปมรรคแปดดีก็ทรงสามารถที่จะแสดงโดยย่อได้จากแปก็เป็นสามได้เช่นศีลสมาธิปัญญาก็เป็นมรรคแปดเหมือนกันหรือทานศีลภาวนาก็เป็นมรรคแดเหมือนกันขึ้นอยู่กับว่าผู้ปฏิบัต เป็นคาลาว่าหรือเป็นนักบวชถ้าเป็นนักบวชก็สงสอนศีลสมาธิปัญญาถ้าเป็นผู้ครองเรือนก็สรงสอนทานศีลภาวนาเป็นมรรคแปดเหมือนกันต่างกันตรงที่สำหรับผู้ครองเรือนนั้นยังต้องทำทานก่อนถึงจะเข้าสู่การปฏิบัติศีลและ สมาธิปัญญาได้จึงทรงสอนข่าวว่าผู้ครองเรือนให้เสียสละทรัพย์สมบัติเข้าของเงินทองไปก่อนไม่ให้ใช้ทรัพย์สมบัติเข้าของเงินทองเป็นเครื่องมือในการดับความทุกข์ต่างๆเพราะจะไม่สามารถดับได้อย่างแท้จริงดับได้เพียงชั่วครั้งชั่วคราวเท่านั้นเอง แล้วจะกลายเป็นต้นเหตุของความทุกข์อันใหม่ขึ้นมาเมื่อไม่มีเงินทองที่จะไปใช้ดับความทุกข์ต่อไปเช่นเวลาที่เรามีความทุกข์ใจไม่สบายใจเราก็เอาเงินทองไปเที่ยวกันไปซื้อข้าวของไปดูไปฟังอะไรกันเพื่อให้เราลืมความทุกข์ต่างๆที่เกิดขึ้นมาในใจ เวลาเราไปเที่ยวกันเราก็มีความสบาย อ, อกสบายใจมีความสุขกันชั่วคราวดับความทุกข์ต่างๆที่มีอยู่ในใจของเราได้ชั่วคราวแต่พอเรากลับมาจากการไปเที่ยวเดี๋ยวความทุกข์เหล่านั้นก็จะกลับมาหาเราใหม่เราก็ต้องไปเที่ยวกันใหม่ไปดูไปฟังไปกินไปดื่มไปทำอะไรกันต่างๆด้วยการใช้เงินใช้ทองกัน เราก็เลยต้องไปทำงานทาการไปหาเงินหาทองกันอยู่เรื่อยๆเพื่อที่จะได้มีเงินทองมาดับความทุกข์ต่างๆที่เกิดขึ้นเราจงไม่สามารถที่จะก้าวสู่ขั้นศีลขั้นสมาธิขั้นปัญญาได้เพราะเราการจะหาเงินหาทองนี้ถ้าาต้อง รักษาศีลด้วยหาเงินหาทองด้วยมันจะหาได้ยากหาได้น้อยหาได้ลำบากจะไม่พอใช้เพราะว่าถ้าเราลองได้ใช้เงินทองเพื่อดับความทุกข์ต่างๆแล้วมันจะใช้มากขึ้นไปเรื่อยๆมันจะกลายเป็นนิสยัยเป็นการติดที่จะต้องใช้เงินทองแก้ปัญหาต่างๆไปเรื่อยๆ เมื่อเราใช้มากเราก็ต้องหามากที่บางทีการหามากๆาที่เราอาจจะไม่สามารถหาได้โดยวิธีถูกต้องวิธีไม่ทำบาปเราก็อาจจะต้องไปทำบาปเพื่อที่เราจะได้หาเงินต่างๆมาใช้ดับความทุกข์ต่างๆจึงทำให้เรายากต่อการที่จะเข้าสู่ การรักษาศีลได้ถ้าเรารักษาศีลไม่ได้เราจะไม่มีเวลาไม่มีโอกาสที่จะไปเจริญสติเจริญสมาธิเจริญปัญญาได้นี่คือเรื่องของมรรควิธีการดับทุกข์ที่พระพุทธเจ้าทรงนำมาสั่งสอนให้แก่สัตว์โลกอย่างพวกเราที่มีสถานภาพต่างกัน ต่างกันตรงที่ความสามารถที่จะปฏิบัติตามคำสอนของพระพุทธเจ้าได้มากได้น้อยกว่ากันเป็นเหมือนกับพวกบัวสี่เหล่า บ, บัวสี่เหล่านี้เป็นบัวที่จะเจริญงอกงามกันตามแตกต่างกันไปตามขั้นตอนของการเจริญเติบโตเอ บัวที่อยู่เหนือน้ำแล้วนี้เป็นบัวที่จะบานง่ายที่สุดเร็วที่สุดพอได้สัมผัสกับแสงสว่างของดวงอาทิตย์ก็บันดุก็บานออกมาได้ส่วนบัวที่อยู่ปริมน้ายังไม่สามารถจะบานได้ถึงแม้จะได้มีแสงสว่างของดวงอาทิตย์จะต้องรอเวลาอีกสักระยะหนึ่งให้อยู่เหนือน้ำก่อนถึงจะสามารถบานออกมาได้ ส่วน บ, บัวที่อยู่กลางน้ำบัวที่ยังต้องใช้เวลาอีกหลายวันกว่าจะขึ้นมาเหนือน้ำได้ออส่วนบัวที่อยู่กับโคนกับตมนี้ก็จะกลายเป็นอาหารของปูของปลาไปบัวที่อยู่กับโคนกับตมที่ยังไม่ได้โผล่ขึ้นมาก็อาจจะไม่ได้โผล่ขึ้นมาอาจจะกลายเป็นอาหารของปูของปลาไป โครงการที่จ ะ, จะเจริญ ง, งอกงามก็จะไม่เกิดขึ้นนี่คือลักษณะของชาวพุทธหรือชาวโลกที่จะสามารถศึกษาและปฏิบัติพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าได้มีสถานภาพมีความรู้ความสามารถที่ไม่เท่ากันพวกที่อยู่กับโคนกับตมที่เป็นพวก ที่จเป็นอาหารของปูของปลาก็เปรียบเหมือนกับคนที่ไม่มีความศรัท ธ, ธาในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์นั่นเองไม่มีความศรัท ธ, ธามีความเชื่อในพระพุทธศาสนาหรือถ้าเป็นชาวพุทธก็ไม่สนใจที่จะศึกษาพระธรรมคําสอนของพระพุทธเจ้าไม่สนใจที่จะปฏิบัติโอกาสที่จะบรรลุธรรมก็จะไม่เกิดขึ้น มือนพวกที่อยู่กลางน้ำบัว ก, กลางน้ำก็เหมือนกับพวกที่มีความศรัทธามีความเชื่อนะแต่ยังอยู่ในสถานภาพที่ยังไม่สามารถที่จะปฏิบัติจะศึกษาทมได้อย่างเต็มที่เพราะยังติดอยู่กับการคล อ, องเรือนเช่นคารวะาญาติโยมผู้ที่มีศรัทธาในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ ทำได้ก็คือการทำบุญทาทานเป็นหลักใส่บาตเป็นต้นถ้ามีวัดอยู่ใกล้บ้านมีพระมาินญทบานก็ใส่บาตเป็นประจำได้ทำบุญเป็นประจาแต่การรักษาศีลยังไม่สามารถที่จะรักษาได้อย่างเต็มที่อาจจะรักษาได้บางวันเช่นวันพระ วันพระอาจจะรักษาศีลห้ากันหรือบางท่านถ้ามีความสามารถที่จะรักษาศีลห้าได้ทุกวันก็จะรักษาศีลแปดนะพวกนี้ก็ถือว่าเป็นพวกที่สูงขึ้นมาอีกขั้นหนึ่งขั้นที่จะสามารถเข้าสู่การภาวนาได้เข้าสู่การเจริญสมาธิและปัญญาได้นะส่วนอีกพวกนึงก็พวกที่ สลากเข้าของเงินทองแล้วก็ออกบวชเป็นนักบวชกันพวกนี้ก็จะมีเวลาที่จะได้ศึกษาพระธรรมคำําสอนและปฏิบัติตามพระธรรมคำําสอนของพระพุทธเจ้าได้อย่างเต็มที่จะเป็นผู้ที่สามารถที่จะบรรลุทำขั้นต่างๆได้พวกนี้พระพุทธเจ้าก็จะสอนศีลสมาธิปัญญาเลย ไม่ต้องสอนเรื่องการทำทานเพราะว่านักบวชนี้ได้ทำทานไปหมดแล้วนั่นเองมีเข้าของเงินทองมากน้อยก็สละให้ผู้อื่นไปจะให้กับครอบครัวจะให้กับผู้อื่นแล้วแต่ว่าจะมีใครเป็นผู้รับบางท่านไม่มีครอบครัวไม่มียาดไม่มีพี่น้องก็แจกจ่ายให้ชาวบ้านไป เช็นลูกศิษย์ของพระอาจารย์มั่นพระอาจารย์พรมนี้ก็ตอนที่ท่านยังไม่ได้บวชท่านก็เป็นฆราวาสเป็นชาวนาชาวไร่ที่มีฐานะการเงินการทองแต่ไม่มีบุตรไม่มีทิดาไม่มีลูกไม่มีหลานช่วงที่ท่านเป็นฆราวาสท่านก็เขาวัดเป็นประจำศึกษาพระธรรมคําสอนทำบุญทําทานรักษาศีลต่างๆได้ ศีลห้าศีลแปดพอท่านพร้อมที่จะออกบวชท่านก็สละทรัพย์สมบัติข้าวของเงินทองให้แก่ชาวบ้านไปประกาศบอกชาวบ้านว่าใครไม่มีที่ก็มาขอที่ใครไม่มีบัวไม่มีควายก็มาขอได้ใครไ ม, ม่มีบ้านก็มาขอได้ท่านไม่ต้องการสมบัติเหล่านี้แล้ว เพราะท่านต้องการที่จะไปบวชเพื่อที่จะได้ศึกษาพราะธรรมคำสอนอย่างเต็มที่และจะได้ปฏิบัติพระธรรมคำสอนได้อย่างเต็มที่เพื่อที่จะได้บรรลุพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าพราะธรรมต่างๆก็คือมรรคผลนิพพานมรรคสีผลสีนิพพานหนึ่งมรรคสีก็มีโสดาปติมรรค ผลก็คือโสดาปติผลเป็นเป็นหนึ่งคู่คู่ที่สก็สกิทาคามีมักสกิทาคามีผลคู่ที่สก็คืออนาคามีมักอนาคามีผลคู่ที่4ี่ก็คืออรหัตตมักอรหัตตผลนี่คือธรรมที่จะได้บรรลุจะเกิดได้ก็เกิดจากการที่ได้ศึกษาได้ปฏิบัติ ทำอย่างเต็มร้อยนั่นเองคือเป็นมืออาชีพไม่ใช่เป็นมือสมัครเล่นถ้าเป็นคาราวาหทผู้ครองเรือนที่ยังมีภารกิจอื่นๆที่ต้องทำก็จะไม่สามารถที่ปัจจปฏิบัติศึกษาทำได้อย่างเต็มร้อยอาจจะทำได้เฉพาะในช่วงวันหยุดทางานเช่นวันพระก็จะเข้าวัดถือศีลแปดศีล ศีลของนักบวชแล้วก็ศึกษาพระธรรมคำสอนด้วยการฟังเทศฟังธรรมแล้วก็ปฏิบัติธรรมแต่ทำได้ก็เพียงวันเดียวเพราะยังติดภารกิจทางโลกอยู่ติดภารกิจทางครอบครัวอยู่ยังต้องหาเงินหาทองเพื่อมาแก้ปัญหาต่างๆอยู่ แต่ถ้าได้ลองเข้าวัดบ่อยๆได้ศึกษาได้ปฏิบัติบ่บอยๆก็จะได้ทำมากขึ้นไปตามลำดับแล้วก็จะมีกําลังที่จะสามารถลดภาระการผูกพันต่างๆในทางโลกให้น้อยลงไปได้ตามลำดับและในที่สุดก็จะสามารถลาสามารถลาจากเพศของค า, ารวาส เพื่อเข้าสู่เพศของนักบวชได้ต่อไปนี่ธะทำของคําสอนของพระพุทธเจ้าจึงมีหลากหลายมีตกต่างกันไปแต่เนื้อหาสาระเหมือนกันคือเป้าหมายอันเดียวกันสอนให้หลุดพ้นจากความทุกข์ด้วยกันแต่ต้องสอนแ ต, ตกต่างกันไปพรผู้ที่จะรับคําสอน มีสถานภาพที่ต่างกันนั่นเองเช่นคารวะผู้ครองเดือนยังหาเงินหาทองอยังใช้เงินใช้ทองดับความทุกข์แก้ปัญหาต่างๆก็ต้องสอนให้หยุดใช้เงินทองแก้ปัญหาหรือชาบใช้เงินทองก็ให้ใช้เงินทองแก้ปัญหาให้ถูกคือถ้าไม่สบายใจอย่าเอาเงินทองไปเที่ยว เอาเงินทองไปทำบุญจะดีกว่าการทำบุญแล้วก็จะได้ความสุขเหมือนกันและได้ความสุขที่นานกว่าดีกว่าความสุขที่ได้จากการไปเที่ยวเพราะการไปเที่ยวจะทาไม่ทำให้ใจอิ่มไม่ทำให้ใจสบายสบายเดียวเดียวพอกลับมาบ้านก็หายไปแล้วความไม่สบายความหิวความอยากไปเที่ยวก็จะเกิดขึ้นอีก แต่การไปทําบุญนี้จะทำให้ใจอิ่มใจสบายจะไม่มีความหิวที่อยากจะไปเที่ยวกลับมาอยู่บ้านก็จะอยู่บ้านเฉยๆได้ไม่รู้สึกหงุดหงิดลำคาญใจเหมือนกับการไปเที่ยวการไปเที่ยวกลับมาบ้านจะอยู่บ้านไม่ติดอยู่บ้านไม่ได้อยู่บ้านแล้วเบื่อแต่การไปทําบุญนี้กลับมาอยู่บ้านได้จะไม่เบื่อ จะไม่มีความหนวดเหงิ่จะไม่มีความอยากไปเที่ยวไหนหรือการไปซื้อข้าวของต่างๆก็เหมือนกันเหมือนกับการไปเที่ยวดังนั้นพระพุทธเจ้าจึงสอนให้ผู้ที่ยังใช้เงินทองในการแก้ความทุกข์ต่างๆให้แก้ด้วยการนำเอาเงินทองไปทาบุญทาทานแทนแทนที่จะเอาไปเที่ยวเอาไปซื้อของฟุ่มเฟือย ของที่ไม่จำเป็นต่างๆของที่มีอยู่แล้วแต่เห็นของใหม่อยากได้ซื้อมาก็ไม่ได้เปลี่ยนแปลงอะไรมากมายซื้อมาก็ทำให้มีของมากขึ้นไปเกะกะลบลุงลังบ้านมากขึ้นไปเท่านั้นเองแต่ความอยากในใจมันทำให้ต้องซื้อเพราะถ้าไม่ซื้อแล้วมันรู้สึกไม่สบายใจ น, นี่คือสาเหตุที่ทำไมพระพุทธเจ้าจึงทรงสอนทานศีลภาวนาให้แก่ผู้คลองเรือนเศีลกับภาวนานี้ก็คือศีลสมาธิ ป, ปัญญานั่นเองศีลเพียงแต่ต่างกันศีลของนักบวชก็ต้องเป็นศีลแปดขึ้นไปศีลแปดศีลสิบศีลสองร้อยยี่ิบเจ็ดศีลสามร้อยกว่าข้อ แล้วก็ภาวนาก็คือการเจริญสมาธิและปัญญานั่นเองดังนั้นเวลาสอนพระภิกษุสอนภิกษุณีสอนนักบวชท่านก็จะสอนศีลสมาธิปัญญาไม่ต้องมาสอนให้ทำบุญทำทานเพราะว่าไม่มีเงินทำบุญทำทานแล้วถ้าเป็นนักบวชพระพุทธเจ้าห้ามนักบวชรับเงินนับทองเก็บไว้ใช้ ถ้าอยากจะใช้เงินใช้ทองก็ให้เอาจากผู้ที่ญาติโยมฝากเงินฝากทองไว้เวลามีความจําเป็นจะต้องดคะ ก, การอะไรที่ขาดแคลนก็บอกผู้ที่ญาติโยมได้ฝากเงินไว้ให้ให้ไปช้าซื้อมาให้แต่ถ้าไม่จําเป็นก็จะไม่ต้องไปใช้เงินใช้ทองไห้แก้ปัญหาความทุกข์ ใจด้วยการบาเพ็ญศีลสมาธิปัญญาจะเป็นวิธีที่จะบำบัดที่จะดํากำจัดความทุกข์ต่างๆได้อย่างถูกต้องแม่นยาที่จะทําให้ความทุกข์ความไม่สบายใจต่างๆหายไปอย่างสิ้นเชิงถ้าแก้ด้วยการใช้เงินใช้ทองนี้จะไม่มีวันแก้ได้จะกลับทําให้มีความทุกข์ความไม่สบายใจ กับเพิ่มขึ้นมาเรื่อยๆเพราะเวลาใช้เงินทองด้วยความอยากความอยากนี้จะไม่หมดความอยากนี้จะกลับโผล่ขึ้นมาเรื่อยๆเวลาเกิดความอยากแล้วถ้าไม่ได้ใช้เงินทองทำตามความอยากก็จะเกิดความหงุดหงิดลำคาญใจพอไปใช้ตามความอยากก็หายไปชั่วคราวแล้วเดี๋ยวความอยากใหม่ก็จะโผล่ขึ้นมาอีก ดังนั้นวิธีที่จะแก้ความอยากต่างๆนี้จะต้องแก้ด้วยการเจริญสมาธิและปัญญาด้วยการรักษาศีลถ้าถือศีลแปดนี้ก็จะช่วยเบรหรือช่วยระ ง, งับความอยากไปเที่ยวความอยากไปหาความสุขต่างๆเพื่อมาดับความไม่สบายใจต่างๆจะทำไม่ได้ เอ็จะไปเที่ยวดูหนังฟังเพลงก็ไปไม่ได้ถ้าถือศีลแปดจะแต่งเนื้อแต่งตัวเสริมสวยความงามต่างๆก็ทําไม่ได้ห้ามทําอจะไปกินเนื้อข้าวเย็นไปงานเลี้ยงตอนค่าคืนงานแต่งงานงานวันเกิดงานอะไรต่างๆก็จะทําไม่ได้จะร่วมหลับนอนกับแฟนก็หลับไม่ได้นอนไม่ได้ การที่มีถือสินแต่นี้เพื่อจะได้นั่งนับกิจกรรมเหล่านี้เพราะไม่ใช่เป็นวิธีดับความทุกข์อย่างแท้จริงเป็นการดับชั่วคราวแต่มันจะกลับมาสร้างความทุกข์ใหม่ว่าเมื่อทำแล้วมันจะติดมันจะอยากมันอยากจะทำอยู่เรื่อยๆแล้วพอไม่ได้ทำมันก็จะเกิดความทุกข์ใจขึ้นมาเพราะกิจกรรมเหล่านี้มันมี ตัวแปรเยอะมีตัวที่เปลี่ยนแปลงอยู่ที่ไม่แน่นอนเช่นสิ่งที่จะให้ความสุขกับเรามันก็ไม่แน่นอนบางทีมันก็มีบางทีก็ไม่มีแล้วเครื่องมือที่เราใช้ในการที่จ ะ, ะหาความสุขจากสิ่งต่างๆคือร่างกายของเรามันก็ไม่แน่นอนอตาหูจมกูกร่างกายของเราบางทีมันก็ดีบางทีมันก็ไม่ดี ร่างกายบางทีก็แข็งแรงบางทีก็ไม่แข็งแรงบางทีก็เจ็บไข้ได้ป่วยหรืเอเครื่องมือที่เราจะใช้การหาสิ่งต่างๆมาคือเงินทองบางทีก็มีบางทีก็ไม่มีดังนั้นการที่เราจะใช้การแก้ปัญหาด้วยสิ่งต่างๆนี้จึงเป็นวิธีที่ไม่ถูกต้องจะไม่สามารถที่จะแก้ความทุกข์ต่างๆ ที่มีอยู่ในใจของเราให้หมดไปได้ต้องมาแก้ด้วยการรักษาศีลด้วยการภาวนาด้วยการทำใจให้สงบที่เรียกว่าสมาธิแล้วก็ด้วยการใช้ปัญญาเพื่อมากำจัดความอยากต่างๆที่เป็นตัวสร้างความไม่สบายใจต่างๆให้แก่เราให้หมดสิ้นไปอย่างทาวอ อันนี้เป็นวิธีการดับทุกข์ที่พระพุทธเจ้าทรงสอนให้ชาวพุทธเราศึกษากันให้เรารู้ว่าเราต้องทําอะไรกันไม่จําเป็นจะต้องศึกษาพระไตรปิฎกทั้งทั้งคำพีทุกบททุกคําสอนขอให้เรารู้วิธีการดับทุกข์ที่เรียกว่ามรรคแปดว่าเป็นอย่างไรมีอะไรบ้างเอ มรรคแปดส่วนแรกก็เรียกว่าศีลส่วนของมรรคแที่รวมเป็นศีลก็คือสัมมากรรมโตการกระทําที่ถูกต้องสัมมาวาจาการพูดที่ถูกต้องสัมมาอาชีโวอาชีพที่ถูกต้องสมมามัญนี้ก็รวมอยู่ในกลุ่มของศีลสัมมากรรมโตก็คือการไม่ฆ่า สัตว์ไม่รักทรัพย์ไม่ประพฤติผิดประเวณีไม่ดื่มสุรายาเมาอันนี้เรียกว่าเป็นการกระทำที่ถูกต้องถ้ายังฆ่ายังรักทรัพย์ยังประพฤติผิดประเวณียังดื่มสุราก็ถือว่าเป็นการกระทำที่ไม่ถูกต้องจะไม่สามารถช่วยในการดับความทุกข์ได้ต้องมีสัมมากมกนโต ไม่ฆ่าสัตว์ไม่รักทรัพย์ไม่ประพฤติผิดประเวณีไม่เดิมสซลายาเมาและอบายามุกต่างๆนอกจากสุรายาเมาแล้วก็ยังมีการเล่นการพนันการเที่ยวกลางคืนการเที่ยวดูการลเล่นต่างๆการคบคนใช่ชอบเสพอบายามุกและความเกียดคร้านนี่ก็คือสิ่งที่เราจําเป็นจะต้องละ ถ้าเราอยากจะมีการกระทำที่ถูกต้องมีสัมมารกรรมโตสัมมาวาจาก็คือการพูดที่ถูกต้องก็ต้องไม่พูดปดพูดความจริง <c oughs> ไม่พูดคำหยาบไม่พูดเพ้อเจอรไร้สาระไม่พูดส่อเสียดคือกล่าวร้ายผู้อื่นพูดเพื่อยุยงให้เกิดความแตกแยกสามัคคี เกิดการทะเลาะวิวาทกันอันนี้คือสัมมาวาจาสัมมาอาชีวก็อาชีพที่ไม่ไปสร้างการไม่เบียดเบียนผู้อื่นําอาชีพที่ไม่ทําให้คนอื่นเขาต้องเกิดความเสียหายเช่นอาชีพขายสุรานี้ถ้าขายสุรามีคนมาซื้อสุราไปดื่มพอดื่มแล้วก็เมาเมาแล้วก็อาจจะไป ทำร้ายผู้อื่นได้เวลาเกิดอาการมึนเมาขึ้นม า, นมาก็จะไม่มีสติสตังที่จะระ ง, งับอารมณ์ต่างๆที่ปรากฏขึ้นมาในใจได้อันนี้ก็ไม่ควรที่จะทำอาชีพล่านี้เพราะส่งเสริมให้เกิดการเบียดเบียนกันนั่นเองเกิดการเสียหายหต่อผู้อื่นอาชีพที่ทําใหเา้เกิดการเกิดการเบียดเบียนเกิดการทำร้าย ชีวิตของผู้อื่นก็ไม่กลัวที่จะทำขายยาพิษขายาขายาขายยาฆ่าสัตว์ขายยาฆ่ า, มาแมลงขายอาวุธต่างๆเช่นกับดักสัตว์หรือเบ็ดที่เอาไปตกปลาแห่ อ, อะไรต่างๆเหล่านี้เป็นสินค้าที่จะไปทำให้ไปเบียดเบียนไปทำร้ายชีวิตของผู้อื่นก็ต้อง ไม่ทําอาชีพเหล่านี้นี่ก็อยู่ในกลุ่มของศีลสัมมากรรมโตการกระทําที่ถูกต้องสัมมาวาจาการพูดที่ถูกต้องและสัมมาอาชีวอาชีพที่ถูกต้องส่วนกลุ่มของของสมาธินี่ก็มีอยู่สัมมาอาชีวสัมมาวายโมสัมมาสติสัมมาสมาธิ สัมมาวายามโ ค, คือความเพียรชอบความขยันหมั่นเพียรที่ถูกต้องก็คือมันรักษาศีลมันนั่งสมาธิมันทำใจให้สงบนั่นเองเรียกว่ามีความเพียรชอบการจะนั่งสมาธิทำจิตให้สงบได้ก็ต้องมีสัมมาสติสติก็คือการร ล, ลึกที่ถูกต้องการร ล, ลึกอย่างไร เป็นการระลึกที่ถูกต้องการระลึกที่ถูกต้องก็ระลึกอยู่กับเรื่องใดเรื่องหนึ่งเพื่อให้ใจหยุดคิดไม่ต้องการให้ใจคิดเช่นระลึกอยู่กับพุทโธพุทโธพุทโธถ้าเราไม่ได้ระลึกถึงพุทโธใจเราก็จะคิดไปตามกระแสะอารมณ์ต่างๆที่เข้ามาสัมผัสในใจของเราเราวันหนึ่งนีน่ตั้งแต่ตื่นขึ้นมานี่เราแทบจะไม่เคยหยุดคิดเลย คิดถึงเรื่องนั้นคิดถึงเรื่องนี้พอนึกถึงคนนั้นคนนี้ก็คิดถึงคนนั้นคนนี้พอเห็นสิ่งนั้นสิ่งนี้ก็คิดถึงสิ่งนั้นสิ่งนี้จะคิดอยู่ตลอดเวลาถ้าปล่อยให้ใจคิดตลอดเวลาใจก็จะไม่มีวันสงบได้ฉะนั้นเตินจะต้องมีสัมมาสติกสติคือการระลึกที่ถูกต้องยาราะลึกให้อยู่กับเรื่องใดเรื่องหนึ่งเพื่อหยุดความคิดต่าง ถ้าเ้าเลืออยู่กับเรื่องที่ทำให้เรายังคิดอยู่ก็ถือว่าใช้ไม่ได้เช่นน้ำนลืถึงงานที่เรากำลังทำอยู่เรามีสติกับการทำงานแต่เรายังต้องใช้ความคิดเกี่ยวกับการทำงานอยู่สติแบบนี้ก็ยังไม่ถือว่าเป็นสัมมาสติเวลาเราทำงานเราก็ต้องมีสติอยู่กับงานที่เราทำเช่นเรากาลังคิดบัญชีกำลังวางแผนว่าจะ ขยายกิจการอย่างไรจะทำการค้าขายอย่างไรอันนี้ก็ต้องมีสติแต่สติแบบนี้ไม่ถือว่าเป็นสัมมาสติเพราะเป็นสติที่ไม่ยับยั้งความคิดปรุงแต่งต่างๆต้องเป็นสติที่ทำให้เราหยุดคิดเช่นให้เราอยู่กับคําบริกรรมพุทโธพุทโธไปหรือเฝ้าดูการกระทาต่างๆที่ไม่ต้องใช้ความคิด เช่นการรับประทานอาหารการอาบน้ำล้างหน้าแปรงฟันการแต่งเนื้อแต่งตัว <S <S <S นี่เป็นกิจกรรมที่เราไม่ต้องใช้ความคิดเราสามารถที่จะเฝ้าดูการกระทาเหล่านี้และไม่คิดได้ <S <S <S อันนี้เรียกว่าสัมมาสติทำไมเราต้องหยุดคิดเพราะถ้าเราไม่หยุดคิดใจเราจะไม่สงบ เมื่อใจไม่สงบใจจะไม่มีความสุขใจจะไม่มีความอิ่มความพอใจจะมีแต่ความหิวความอยากแล้วถ้าเราปล่อยให้ใจหิวใจอยากเราจะทนไม่ได้เราจะต้องไปทำตามสิ่งที่เราหิวเราอยากแต่สิ่งที่ให้ความที่เราไปทำเพื่อดับความหิวความอยากนี้มันไม่ได้ทำให้เราอิ่มทำให้เราพออย่างถาวร ทำให้เราอิ่มเดียเดยเด๋ยวเดียวพอเดี๋ยวเดียวเดี๋ยวไม่นานความหิวความอยากใหม่ก็จะโผล่ขึ้นมาใหม่ยังไม่ใช่เป็นวิธีที่จะทำให้เรากำจัดความหิวความอยากได้อย่างถาวรวิธีที่จะกำจัดความหิวความอยากได้ถาวรก็คือต้องหยุดความคิดให้ได้ถ้าหยุดความคิดได้ความอยากก็จะปรากฏขึ้นมาไม่ได้ เมืองความอยากไม่มีความสงบก็จะเกิดขึ้นความสุขก็จะเกิดขึ้นแต่วิธีที่เราใช้สติเพื่อหยุดความคิดหยุดความอยากนี้ยังไม่เป็นวิธีที่ถาวรเพราะหยุดได้ชั่วที่สติมีกําลังเวลาสติอ่อนกําลังลงเมื่อไหร่ความคิดก็จะกลับขึ้นมาได้ความอยากก็จะกลับขึ้นมาได้เช่นเวลาเราอยู่ในสมาธินี้เรามีสติมาก จิตก็นิ่งสงบไม่คิดไม่ปรุงไม่มีความอยากต่างๆแต่สักพักหนึ่งกำลังของสติเราก็จะหมดมันความอยากความคิดก็จะโผล่ขึ้นมาเราก็จะออกจากสมาธิมาแล้วก็มาคิดมาอยากกับสิ่งนั้นสิ่งนี้ถ้าเราอยากจะหยุดด้วยสติเราก็ต้องกลับไปเข้าไปในสมาธิใหม่แต่ถ้าเรามี ปัญญาวิธีที่พระเจ้าได้ส่งคนพบที่สามารถกำจัดความอยากได้โดยที่ไม่ต้องเข้าไปในสมาธิก็คือเราต้องเห็นโทษของการกระทาตามความอยากต่างๆว่าเป็นการพาไปสู่ความทุกข์ไม่ใช่พาไปสู่ความสุขความสุขที่ได้เป็นความสุขเล็กน้อยถ้าเปรียบก็เหมือนกับเหยื่อที่ติดอยู่ปลายเบ็ดนะเหยื่อนี้มันเป็นอาหารนิดเดียว ที่ปลาที่จะไปฮุบเหยื่อนั้นมารับประทานแต่มันจะถูกตะขอเบ็ดเกี่ยวปากเอาที่จะทำให้เกิดความทุกข์อย่างยิ่งต่อปลาและทำให้ปลานั้นเสียชีวิตได้ก็าจะต้องถูกเขาดึงขึ้นจากน้ำไปกลายเป็นอาหารจากน้ำในในสระในบึงก็ไปอยู่น้ำในหม้อแทนน้าในหม้อแกง นี่เป็นเพราะมองไม่เห็นว่าอาหารอันโอชะที่ติดอยู่ปลายเบ็ดนี้เป็นอาหารเพียงชิ้นเล็กๆเท่านั้นเองแต่อันตรายอันใหญ่หลวงที่ซ่อนอยู่ภายใต้อาหารนั้นมองไม่เห็นฉันใดความสุขที่เราได้จากการทำตามความอยากต่างๆนั้นก็เป็นเหมือนกับอาหารที่ติดอยู่ที่อยู่ปลายเบ็ดนี้เองแต่ไม่รู้ว่า เมื่อไปพุบอาหารนั้นแล้วจะต้องถูกเบ็ดเกี่ยวปากฉันใดถ้าเราไปหาความสุขด้วยการทําตามความอยากเราจะเดือกับความทุกข์ที่เป็นความทุกข์ที่ไม่มีวันสิ้นสุดคือเมื่อเราอยากหาความสุขจากสิ่งต่างๆหาได้เท่าไหร่เราก็จะไม่อิ่มไม่พอเราก็จะต้องหามันอยู่เรื่อยๆถึงแม้ร่างกายนี้ตายไป เราก็ยังจะกลับมาหามันใหม่อีกเราจึงต้องกลับมาเกิดใหม่อยู่เรื่อยๆการกลับมาเกิดก็จะต้องมาเจอกับความแก่เจอกับความเจ็บเจอกับความตายอยู่เรื่อยๆอันนี้เป็นสิ่งที่เราต้องใช้ปัญญาสอนใจให้เห็นให้รู้ว่าการที่เราไปทําตามความอยากเพื่อดับความทุกข์เพื่อได้ความสุขนั้นเป็นการทำเป็นการได้ความสุขชั่วคราว แล้วเป็นการดับความทุกข์ชั่วคราวแล้วก็เป็นการสร้างความทุกข์ใหม่ขึ้นมาอยู่เรื่อยๆไม่มีวันสิ้นสุดเพราะความอยากมันจะไม่หมดไปจากการที่เราไปทําตามความอยากเพราะการทําความอยากนี้เป็นการสร้างความอยากใหม่ให้โผล่ ข, ขึ้นมาอยู่เรื่อยๆนั่นเองวิธีที่จะทําให้ความอยากไม่โผล่ขึ้นมาก็คือต้องไม่ไ ป, ไปทําตามความอยากเวลาเกิดความอยากอแล้ว เราก็อยากไปทำมันใช้ปัญญาสอนใจว่าความอยากไม่หายด้วยการไปทำตามความอยากความสุขที่ได้ก็เป็นความสุขชั่วคราวพอมันหมดไปมันก็จะกลายเป็นความทุกข์ขึ้นมาสู้อยากไปอยากดีกว่าสู้อยู่เฉยๆดีกว่าอยู่กับความสงบดีกว่าถ้าเรามีสมาธิเราก็ทำใจให้สงบได้ทำใจให้เฉยๆฝืนความอยากได้ เราจึงต้องมีสมาธิก่อนเป็นเครื่องมือในการต่อสู้กับความอยากถ้าเราไม่มีสมาธิเวลาเกิดความอยากเราจะทนไม่ไหวเราจะใจจะสัน่นใจจะทุกข์มากใจจะทรมานมากคนจึงเลิกบุหรี่ได้ยากเลิกสุราได้ยากเพราเวลาเกิดความอยากสูบบุหรี่หรืออยากดื่มสุราแล้วถ้าไม่ได้ทำนี้ใจจะสัน่น ใจจะไม่สบายใจจะทรารามากแต่ถ้าเกยฝึกสมาธิมาทำสมาธิได้จะสามารถควบคุมความสั่นของใจได้สามารถทำใจให้สงบได้ฝืนความอยากได้เลิกความอยากได้นังนั้นก่อนที่เราจะใช้ปัญญาได้เราต้องมีสมาธิก่อนเราต้องรู้จักวิธีทำใจให้สงบด้วยสติก่อน เมื่อเรารู้จักวิธีทาใจให้สงบด้วยสติแล้วเราก็ไปศึกษาทางปัญญาให้รู้ว่าการทาตามความอยางนี้เป็นการไม่ใช่เป็นการแก้ปัญหาไม่ใช่เป็นการดับความทุกข์ไม่ใช่เป็นการดับการเวียนว่ายตายเกิดแต่เป็นการที่จะพาให้เราไปเวียนว่ายตายเกิดอยู่เรื่อ ย, เ, อยเป็นการที่จะพาให้เราไปอยากอยู่เรื่อย เวลาอยากก็จะทำให้ใจเราสั่นใจเราไม่สบายขึ้นมาถ้าเรารู้อย่างนี้ทุกครั้งที่เกิดความอยากเราก็ใช้สติใช้สมาธินี้ฝืนมันไม่ทำตามความอยากถ้าเรามีปัญญาเราเห็นโทษของความอยากอย่าไปทำตามความอยากพอเราฝืนความอยากต่อไปความอยากนั้นก็จะหมดกาลังไปแล้วต่อไปมันก็จะไม่โผล่ขึ้นมา ไม่มาลบโกนใจไม่มาสร้างปัญหาต่างๆให้แก่ใจของเราอีกต่อไปนี่คือวิธีที่เราจะปฏิบัติปฏิบัติเพื่อให้เราบรรลุผลผลก็คือการดับของความทุกข์ที่เกิดจากความอยากต่างๆดับความอยากตัวนี้ได้ความทุกข์ที่เกิดจากความอยากตัวนี้ก็จะหมดไปดับความทุกข์ตัวนั้นได้ก็จะดับ ดับความอยากตัวนั้นได้ก็จะดับความทุกข์ที่เกิดจากความอยากตัวนั้นได้ความอยากมันก็มีอยู่สี่ขั้นด้วยกันสามขั้นสี่ขั้นสามขั้นขั้นของพระโสดาบันขั้นของพระสกิดาคามีพราะอน า, าคามีพาาาระอรหันนี้เอพาอาาระอรหันพระโสดาบันก็ดับความอยากได้ระดับหนึ่งก็ได้เป็นโสดาบัน ดับความอยากไม่แก่อยากไม่เจ็บอยากไม่ตายได้ก็เป็นพระสูดาบันได้พระสูดาบันนี้ไม่กลัวความแก่ไม่กลัวความเจ็บไม่กลัวความตายพอเห็นว่าร่างกายนี้ไม่เที่ยงเกิดแล้วต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายห้ามมันไม่ได้ร่างกายนี้ไม่ใช่ตัวเราของเราเราจะไปสั่งให้มันไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายไม่ได้ ถ้าไปอยากให้มันไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายก็จะเกิดความทุกข์ทรมานใจขึ้นมาถ้าไม่ต้องการความทุกข์ก็ต้องหยุดความอยากนี้อย่าไปอยากให้มันไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายปล่อยมันแก่ปล่อยมันเจ็บปล่อยมันตายไปเช่นเวลาแก่ก็ไม่ต้องไปย้อมผมไม่ต้องไปดึงหนังไปทำหนังให้มันดึงมันจะแก่ก็ต้องปล่อยมันแก่เวลาเจ็บถ้ารักษาได้ก็รักษาไป ถ้ารักษาไม่ได้ก็ต้องอยู่กับมันไปเช่นบางทีมันพิกลพิการเป็นอัมพาตเป็นอัม พ, มพาตไม่อยากให้มันหายมันก็จะทรมานใจเพราะอยากมันก็ไม่หายอยากให้มันเหมือนเดิมเคยเดินได้ตอนแต่ตอนนี้เดินไม่ได้นะเพราะเป็นอัมพาตอัมพาตถ้าอยากให้เดินได้มันจะทุกข์ทรมานใจแต่ถ้ายอมให้มันเดินไม่ได้เมื่อเดินไม่ได้ก็มไม่ต้องเดิน มันก็จะไม่ทุกข์ใจก็จะเหมือนกับตอนที่ไม่ได้เจ็บไข้ได้ป่วยนี่คือความอยากในระดับของพระโสดาบันก็คือท่านจะดับความอยากไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายได้เพราะเห็นว่ามันเป็นความทุกข์มากกว่าเป็นความสุขสู้ยอมแก่ยอมเจ็บยอมตายดีกว่าใจจะไม่ทุกข์กับความแก่ความเจ็บความตายนี่คือความอยาก ในระดับของพาโสดาบันในระดับของพา ส, าพาสกิดาคามีก็คือความอยากเสพกามนั่นเองความอยากร่วมหลับนอนกับคนนั้นคนนี้เพราะเวลาเห็นเขาแล้วเกิดอารมณ์ขึ้นมาเพราะเห็นว่าเขาหน้าตาดีดูแล้วสวยงามหล่อเหลาอยากจะร่วมหลับนอนกับเขาวิธีแก้ความอยากนี้ก็ต้องดูหน้าตา เวลาที่หน้าตาเขาไม่น่าดูเวลาหน้าตาเขาแก่เวลาหน้าตาเขาตายเวลาร่างกายตายไปนี่ไม่มีใครอยากจะนอนหลับกับศพต่อให้เป็นดาราภาพยนตร์หรือเป็นนางงางจักรวาลพอกลายเป็นศพแล้วก็ไม่มีใครอยากจะร่วมหลับนอนด้วยเราก็ต้องใช้ดูการดูศพของคนที่เรา ที่ยังไม่ตายว่าถ้าเขามีเป็นสร้างศพแล้วเรายังอยากจะร่วมหลับนอนกับเขาหรือเปล่าหรือถ้าเราพาร่างกายเขาออกมาได้พาดูส่วนต่างๆที่มีอยู่ภายใต้ผิวหนังได้เอช่นเห็นโครงกระดูกของเขาเห็นปอดเห็นไตเห็นตับเห็นหัวใจเห็นลำไส้เห็นอาการเหล่านี้มันก็จะช่วยทำให้ความอยากเสพการมัน จะเบาบางหรือหมดไปได้นะนี่คือขั้นของพระสกิดาฆามีคือทําให้เบาบางลงเวลาที่เห็นก็จะดับความการมาลลมได้เวลาที่เผลอไม่เห็นไม่คิดถึงความไม่สวยงามของร่างกายก็จะดับไม่ได้อันนี้เป็นขั้นของพระสกิดาฆามีขั้นที่สองดับได้บางบางเวลาแต่ยังดับไม่ได้ตลอดเวลา ผู้ที่ระดับการมลลมได้ตลอดเวลาก็คือพระอนาคามีเพราะบีปัญญาเห็นเห็นความไม่สวยงามของร่างกายได้ตลอดเวลาเห็นทีไรก็เห็นเป็นโครงกระดูกเห็นทีไรก็เห็นเป็นสรากศพเห็นทีไรก็เห็นอวัยวะต่างๆที่มีอยู่ภายในร่างกายที่เห็นอย่างนี้แล้วตลอดเวลาทุกครั้งก็จะไม่สามารมลลมก็จะไม่สามารถปรากฏขึ้นมาได้ พระอนาคามีก็จะละความอยากายการเสพการได้นะส่วนพระอรหันต์ก็จะไปละความอยากที่จะเสพความสงบพระอรหันต์นี้พระจังยังติดอยู่กับความสงบของฌานระดับต่างๆของรูปฌานของอรูปฌานและยังติดอยู่กับอัตตาตัวตนอัตตาตัวตนนี้ยังไม่ได้ถูกทำลายไปด้วยความอยาก ด้วยการทำลายความอยากของพระโสดาบันของพระอนาคามีความความถือตัวถือตนอัตตาตัวตนนี้ยังมีอยู่ยังไม่ได้ถูกทำลายความความอยากเป็นใหญ่เป็นโตยังมีอยู่ก็ต้องมาทำลายด้วยระดับระดับของพระอาหารหันต์พระอาหารหันต์จะทำลายความอยากต่างๆที่เหลืออยู่ให้หมดไปได้ และเมื่อหมดแล้วทีนี้ก็จะไม่มีอะไรมาสร้างความทุกข์ให้แก่ใจอีกต่อไปไม่มีอะไรที่จะมาฉุดล่าผักดันให้ใจไปเวียนว่ายตายเกิดอีกต่อไปเพราะความอยากที่เป็นต้นเหตุนั้นถูกทําลายไปหมดแล้วถ้าเปรียบเหมือนรถยนต์ก็คือพอน้ํามันหมดแล้วทีนี้รถยนต์ก็ไม่สามารถวิ่งไปไหนมาไหนได้แล้วถ้าไม่เติมน้ํามันขับไปเรื่อยๆเดี๋ยวน้ํามันก็หมด หมดแล้วทีนี้มันก็จะไม่ไม่มีมันจะไม่สามารถวิ่งไปไหนมาไหนได้ใจของเราก็เหมือนกันที่ยังไปเวียนว่ายตายเกิดอยู่กันที่ยังไปไหนมาไหนกันอยู่นี่ก็เพราะความอยากนี่เองเป็นตัวที่ผลักดันให้เราไปเราอยากได้สิ่งนั้นสิ่งนี้เราก็ต้องไปหามันมาอยากจะดูสิ่งนั้นสิ่งนี้เราก็ต้องไปหามาดูแต่พอเราฝืนความอยากไปเรื่อย ต่อไปความอยากหมดมันก็จะไม่มีอะไรที่จะดึงใจให้ไปไหนอีกต่อไปใจก็จะอยู่นิ่งสงบไปตลอดความนิ่งสงบของใจนี่เรียกว่านิพพานเพราะไม่มีความอยากที่มาคอยปรับดันมาคอยฉุดกให้ใจไปหาสิ่งต่างๆอีกต่อไปใจก็จะไม่ไปไหนไม่ไปเกิดแก่เจ็บตายไม่ไปเวียนว่ายตายเกิดอีกต่อไป นี่คือธรรมที่จะบรรลุหลังจากได้มีการปฏิบัติธรรมอย่างถูกต้องการจะไปทลธรรมอย่างถูกต้องก็ต้องศึกษาธรรมอย่างถูกต้องการศึกษาธรรมที่ถูกต้องก็ต้องศึกษาจากผู้ที่รู้ธรรมคือพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ตอนนี้ไม่มีพระพุทธเจ้าก็ต้องอาศัยพระธรรมที่มีบันทึกไว้ในพระไตรปิฎกนี่แหละหรืออาศัยพระอริยสงสาวกถ้าเราหาเจอถ้าพบ ที่สอนให้เราปฏิบัติได้อย่างถูกต้องเราก็ศึกษาจากสงแหล่งนี้จากพระไตรปิฎกจากพระอริยสงสาวกแล้วเราก็นำเอาไปปฏิบัติการศึกษาก็มป็นการปศึกษาให้ครบร้อยเปเซ็ก่อนค่อยไปปฏิบัติศึกษาพอให้รู้ว่าเริ่มต้นอย่างไรก็เริ่มไปปฏิบัติปฏิบัติไปสักพักแล้วก็กลับมาศึกษาต่ออาทิตย์หนึ่งก็กลับมาฟังเทศฟังธรรมต่อ ฟังอยู่เรื่อยๆเพราะของพวกนี้ต้องฟังบ่อยๆฟังซ้ําๆซัซกๆถ้ามันจะเกิดความเข้า อ, อกเข้าใจที่เราเล็กที่เราน้อยเพิ่มมากขึ้นไปเรื่อยๆพร้อมกับการปฏิบัติมันจะช่วยทําให้เราเข้าใจว่าเราปฏิบัติถูกหรือไม่ปฏิบัติไม่ถูกเนีเนี่ยมันถ้าไปศึกษาอย่างเดียวไม่ปฏิบัติเราก็ยังจะไม่รู้ว่าสิ่งที่เราเรียนรู้นี่เราเอาไปปฏิบัติถูกหรือ ย, อยังหรือไม่ถูก เราต้องศึกษาไปควบคู่กับการปฏิบัติไปถึงจะได้ถึงจะได้ผลที่ถูกต้องต่อมาเพราะศึกษาไปถ้าศึกษาแล้วมันไม่ถูกเราก็จะได้กลับมาฟังเทศฟังทำใหม่หรือมาถามผู้สอนหมายว่าทำอย่างนี้มันไม่เป็นอย่างที่พูดเพราะเหตุใดอะไรก็ว่ากันไปนี่คือลักษณะของการศึกษาที่ถูกต้องต้องศึกษาควบคู่กับการปฏิบัติ อย่าแยกการศึกษาออกจากการปฏิบัติเหมือนสมัยนี้ทางศึกษาของสงนี้ก็แบ่งเป็นสองสายไปศึกษาก็ศึกษามันไปอย่างเดียวตำราไปนักทำตีโทเอกประเรียนหนถึงประเรียนเี่มีแต่ศึกษาอย่างเดียวไม่มีปฏิบัติพอศึกษาถึงประเรียนเแล้วทีก็มันก็ไม่อยากออกไปปฏิบัติแล้วเพราะมันไม่ได้เคยปฏิบัติเลย พอจะไปปฏิบัตินี้มันก็จะรู้สึกยากลําบาก mm hmm. ก็จะไม่ปฏิบัติกันแต่ถ้าศึกษาแบบปฏิบัติควบคู่กันไปอย่างพระสายวัดป่านี่เขาจะไปศึกษากับครูอาจารย์อยู่กับครูอาจารย์ครูอาจารย์สอนให้รักษาศีลกับรักษาศีลกันไปสอนให้ทําธุดงขวัตก็ปฏิบัติธุดงขวัตกันไปฉันมือเดียวก็ฉันมือเดียวฉันในบาทก็ฉันในบาท อันนี้เรียกว่าศึกษากับปฏิบัติควบคู่กันไปถ้ายากกันก็คือศึกษาตุ้ตรงสิบสามข้อรู้หมดว่ามีอะไรแต่ไม่ปฏิบัติเพราะถึงเวลาจะปฏิบัติก็ไม่ยอมปฏิบัติเพราะมันยากแต่ถ้ามันเริ่มต้น ต, ตั้งแต่เริ่มต้นศึกษาแล้วเริ่มต้นปฏิบัติไปมันก็จะง่ายอันนี้คือเรื่องของการศึกษาการปฏิบัติที่ถูกต้องมันต้องไปควบคู่กัน สนับสนุนกันการศึกษาจะทำให้เราปฏิบัติที่ถูกที่ถูกพอเราศึกษาแล้วพอเราปฏิบัติถูกได้ผลมันก็จะทำให้เราอยากจะศึกษาเพิ่มเติมขึ้นไปเรื่อยๆได้ขั้นนี้แล้วขั้นต่อไปทำอย่างไรพอได้ขั้นต่อไปแล้วก็อยากจะได้ขั้นต่อไปไปเรื่อยๆนี่ก็คือพอเราศึกษาอย่างถูกต้อง เราก็จะปฏิบัติดีปฏิบัติชอบปฏิบัติได้อย่างถูกต้องปฏิบัติอย่างเต็มร้อยเราก็จะบรรลุธรรมขั้นต่างๆได้บรรลุมากสี่ผลสี่นิพพานหนึ่งได้พอเราบรรลุธรรมได้แล้วทีนี้เราก็เอาธรรมที่เราบรรลุดีมาสอนคนอื่นได้ละเพราะเป็นธรรมที่เรารู้จริงเห็นจริงไม่ได้เป็นธรรมที่เราไปจดจามา การที่จดจํากับการทที่เกิดจากการปฏิบัติดูจริงเห็นจริงไม่เหมือนกันะสิบปากว่าไม่เท่าหนึ่งตาเห็นเอคนที่เห็นกับคนที่ไปฟังนี่เห็นไม่เหมือนกันเอสอนไม่เหมือนกันเอถ้ายังไม่เคยไปสถานที่นั้นเพียงแต่เคยได้ยินว่าสถานที่นั้นเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้กับคนที่ไปถึงสถานที่นั้นแล้วคนที่ไปถึงกับคนที่ไปไม่ถึงมาสอนนี่ใครจะสอนได้ถูกต้องแม่นยํากว่ากันะ ดังนั้นก่อนที่เราจะไปสอนผู้อื่นได้เราต้องบรรลุธรรมค่นเหล่านั้นก่อนก่อนที่เราจะไปสอนผู้อื่นได้ถ้าเรายังไม่บรรลุถ้าไปสอนก็สอนแบบผิดผิ ด, ผดถูกถูกเพราะเราเองก็ยังไม่เห็นกับตาเราเพียงแต่ได้ยินได้ฟังจากผู้อื่นมาอีกทอดซึ่งเราก็ไม่รู้ว่าเขาพูดจริงหรือไม่จริงอีกบางทีสิ่งที่เขาสอนอาจจะไม่ตรงกับความเป็นจริงก็ได้ แต่ถ้าเราปฏิบัติเราจะรู้ว่าสิ่งที่เขาสอนตรงกับความเป็นจริงหรือไม่ดังนั้นก่อนที่เราจะไปเผยแผ่ทำให้แก่ผู้เราควรที่จะบรรลุธรรมก่อนถ้าไม่บรรลุอย่าไปสอนจะทำให้ผู้อื่นเขาหลงทางได้แล้วเราเองก็หลงทางไปด้วยเพราะว่าเรายังไม่บรรลุเรากลับไปคิดว่าเราบรรลุความคิดว่าเราบรรลุกับการบรรลุนี่มันไม่เหมือนกัน ดันต้องให้มีความมั่นใจก่อนว่าเราบรรลุธรรมจริงๆเราได้กาจัดความอยากต่างๆที่มีอยู่ในใจของเราได้หมดสิ้นไปอย่างแท้จริงไม่มีความอยากอะไรอยู่ในใจของเราอีกต่อไปแล้วอันนั้นแหะจะเป็นตัวที่ทำให้เราแน่ใจว่าเราสามารถที่จะช่วยเหลือผู้อื่นสั่งสอนผู้อื่นได้แต่ผู้ที่ไม่มีความอยากก็จะไม่ได้สั่งสอนด้วยความอยากจะสอน เพราะคนไม่มีความอยากอยู่เฉยๆมันสบายกว่าที่จะไปสอนคนอื่นแต่ที่สอนก็เพราะว่ามันมีเหตุให้สอนเพราะเขามาหาเราเป็นต้นเราไม่ได้ไปหาเขาเขามาหาเราเขามาขอเรียนรู้จากเราอันนี้เราก็ต้องสอนไปด้วยความเมตตาตามแนวที่พระพุทธเจ้าได้ทรงกระทำมาแต่จะไม่วิ่งไปเคาะประตูบ้านเรียกชาวบ้านออกมาฟังเทศฟังธรรม อันนี้ไม่ใช่เป็นการสอนของผู้ที่ไม่มีความอยากสอนอ น, นี้คือเรื่องของหน้าที่ของชาวพุทธเราที่พระพุทธเจ้าทรงมอบให้กับพวกเราชาวพุทธเพื่อประโยชน์สุดของเราในเบื้องต้นก่อนเราต้องได้รับประโยชน์ได้สําเร็จได้บรรลุธรรมได้หลุดพ้นจากกองทุกข์ทั้งหลายก่อน แล้วเราค่อยทําประโยชน์ให้แก่ผู้อื่นต่อไปเหมือนกับที่พระพุทธเจ้าได้ทรงบําเพ็ญตอนต้นพระพุทธเจ้าก็ทรงบําเพ็ญอยู่หปีด้วยกันโดยไม่สั่งสอนใครแต่หลังจากที่ได้บรรลุธรรมแล้วได้ตัดสั้แล้วก็สั่งสอนผู้อื่นถึงสี่สิบห้าปีด้วยกันจนถึงวาระสุดท้ายของชีวิตนี่เป็นวิธีที่ถูกต้องที่พระพุทธเจ้าได้ทรงบําเพ็ญและสังสอนให้พวกเราปฏิบัติกัน ดังนั้นขอให้เรายึดแนวคำสอนของพระพุทธเจ้าด้วยการทำหน้าที่ที่พระพุทธเจ้าทรงบัญญัติให้พวกเรากระทำกันคือหนึ่งศึกษาธรรมสองปฏิบัติธรรมสามบรรลุธรรมและสี่เผยแผ่ธรรมถ้าเราทำได้ครบทุกขั้นทุกตอนเราจะทำประโยชน์สุขให้กับเราและแก่ผู้อื่นได้อย่างมากมาย เหมือนกับที่พระพุทธเจ้าได้ทรงกระทำมาการแสดงก็คิดว่าพอสมควรแก่เวลาจึงขอยุติไว้เพียงเท่านี้ขออนุโมทนาให้พรอยะถาวาริวาาปุราปาริปุรเรินติสากลังเอวเมวะอิตโตทินังเปตานาังอุปกบปะิต ยิชิต so ังปฏิธิต so ังปุลหังคิปะเมวะสมิจจตุสัพเพโตเรนตุสังกปาจันโทปันาระโสยัทามณิโชติระโสยัาสัพพิติโยวิวัจจานตุสัพพโรโควีนัสตุมาเตภวัตวันตรายสุขีทีคายุโกภวะ อพิวาทนสีดิธสานิจังุทธาปจายโนจตาโรโธรรมะวัานติอายุวโนสุขังภาลาังล<ะ>ําลำดับต่อไปนี้ก็เป็นช่วงถามตอบปัญหาธรรมใครมีคำถามถามได้ในตอนนี้เลยถามได้จนถึงเวลาที่เราเลิกประชมุม แต่หลังจากที่เลิกประชมุมแล้วก็จะของวดตอบปัญหาใครไม่อยากจะถามด้วยตนเองก็เขียนข้อความส่งเข้ามาให้ผู้อ่านพิธีกรอ่านให้ฟังได้วันนี้ทางบ้านติดตามกันเท่าไหร่เป็นบุ o u t u b e เท่าไหร่เป็นบ o กสามร้อยห้าคนครับ y o u t u หกสิบสี่คนครับ รีดิโอยี่สคนโทรฟังบนเขา101คนรวม494คนครับอาจารย์เฮ้ถูกอะ่อะสี่รอยเก้าอ่ะอันนี้ต่ำหน่อยต่ำกว่าเกณฑวันนี้แอปแอปยูทูบ YouTube มันช่วงแรกใช้ไม่ได้นะอ่าตเปลี่ยนไปเป็นไลฟ์ของ YouTube เลยอ่าวันนี้ฝนฟ้าอากาศไม่ดีด้วยคนกลัวอย่าโดนฝนเกือบ500 490กว่าอ่า มีคำถามเข้ามาไหมมีค่ะพระอาจารย์คำถามจาก facebook ค่ะคุณสมเกียรติค่ะกล่าวเป็นถามพระอาจารย์ครับหลังจากทําบุญใส่บาตรแล้วเราอุทิศบุญให้กับเทวดาประจําตัวของเราและเทวดาประจําตัวของบิดามารดาจะได้รับหรือไม่ครับ อ, อ๋อเทวดาเขามีบุญมากกว่าที่เราส่งไปให้เขาเขาไม่จําเป็นจะต้องมารอนรับส่วนบุญนี้ บุญที่อุทิศนี้บุที่ให้พวกที่ไม่มีบุญคือพวกเปรตพวกนี้เขาเวลาที่เขามีชีวิตอยู่เขาไม่มีโอกาสได้ทําบุญส่วนพวกเทวดานี่เขาทําบุญเป็นประจาอยู่นั้นก็มีบุญเยอะแยะจะอุทิศให้เขาก็ได้แต่มันเหมือนกับให้เงินเศรษฐีให้เงินที่เราจะให้ขอทานไปให้เศรษฐีเศรษฐีเขาก็อให้ก็ให้รับว่ายอย่างนั้นแต่ไม่มีความหมายสําหรับเขา แต่ให้ขอทานนี่มีความหมายมากกว่าเพราะขอทานเขาต้องการเงินแมจะเป็นแค่เศษเงินเศษทองงั้นการอุทิศบุญนี้เป้าหมายของผู้รับไม่ใช่เทวดามีมีพวกเดียวที่รับได้ก็คือพวกเปรดที่ได้รับประโยชน์กล่าวด้อาจารย์พระอาจารย์สุชาติครับพูดใกล้ๆเอยกต่ผมมีคำถามว่าขณะผมปฏิบัติเวลาเดินจงกรมกาหนด สติเห็นการยกย่างเหยียบของของเท้าสักพักหนึ่งมีอาการปรุงแต่งเหมือนกับว่าจะถ่ายหนักแต่ก็กำหนดจิตโดยยืนสงบนิ่งให้ตัวสังขารปรุงแต่งมันก็จะให้เหมือนกับร่างกายเราต้องไปห้องน้ำผมก็พยายามจะกำหนด ดูรู้มันดูสัพักจนสิ่งที่มันรู้สึกว่ามันจะต้องไปให้ได้สุดท้ายแล้วมันก็ดับไปไอ้ตรงนี้มันคือคล้ายๆว่าสภาวะของสังขารที่มันปรุงแต่งแล้วมันเกิดดับใช่ไหมครับพระอาจารย์ก็ปรุงแต่งก็คือความคิดแล้วไงคิดแล้วก็หยุดถ้าหยุดคิดก็ดับไปถ้าคิดมันก็เกิดขึ้นมาเท่านี้ส่วนเรื่องการร่างกายมันจะต้องถ่ายก็ไปห้ามมันไม่ได้ ถ้ามันถึงเวลาจะต้องเข้าห้องน้ำก็ปล่อยมันเข้าไปไม่ใช่มาควบคุมบังคับมันอันนี้ไม่บังคับไม่ได้เรื่องของร่างกายมันถึงเวลาที่จะต้องขับถ่ายก็ต้องขับถ่ายให้มันไปขับถ่ายเสร็จแล้วเราก็กลับมาปฏิบัติต่อสิ่งที่เราต้องการควบคุมก็คือความคิดขณะที่เราขับถ่ายเราก็ยังควบคุมความคิดได้อยู่อลงาที่เราถ่ายไปเราก็ใช้ทาบริกรรมไปก็ได้ สวดมนต์ไปก็ได้คืออย่าปล่อยให้ใจคิดเท่านั้นเองการจเจริญสติเพื่อหยุดความคิดปรุงแต่งอวิธีต่างๆก้าวหน้อวางหน้ออันนี้ก็ก็เป็นการควบคุมความคิดอย่างหนึ่งยุบหนอพองหน้อยก็เหมือนกันดูลมหายใจเข้าออกก็เหมือนกันคือเป็นอุบายวิธีต่างๆที่จะเราใช้ในการควบคุมความคิดปรุงแต่งของเราอีกคำถามหนึ่งนะครับเอ่า ผมเวลาปฏิบัติจะกาหนดดูสภาวะของจิตเกิดดับที่กลางหน้า อ, อกแล้วก็ขณะเวลาขับรถก็พยายามจะตามดูรูมันโดยที่เห็นสภาวะของกลางหน้า อ, อกที่มันวุบวุบวุ บ, วบเวลาบางครั้งมีรถมาขับปาดหน้าเราก็ดูสภาวะมันมันก็เลยอไม่เกิดอารมณ์ที่จะ หมุดหิดหรือไม่พอใจแต่บางครั้งถ้าถ้าไม่กําหนดดูรู้หรือตามดูรู้มันมันก็จะเข้าไปปรุงแต่งอันนี้คือใช่ใช่ที่เราต้องต้องต้องเอาสติตามตูรู้ใช่ไหมครับพระอาจารย์ก็เป็นวิธีหนึ่งที่เราจะควบคุมจิตไม่ให้เกิดความคิดปรุงแต่งขึ้นมาแล้วถ้าปฏิบัติไปเรื่อยๆเหมือนตามสติตามดูรู้เหมือนกับว่าเวลาถึงเวลาของมันอย่างทุกวันนี้เนี่ย ประมาณตีสี่เนี่ยผมจะต้องตื่นขึ้นมาแล้วเหมือนกับแต่ก่อนเนี่ยจะตื่นเกือบหกโมงช้าแต่เหมือนกับว่าทุกวันนี้เนี่ยเหมือนกับมันจะตื่นขึ้นมาของมันเองไม่รู้มันตื่นขึ้นมามันเป็นนารกาบุกในตัวเราเคยตื่นเวลาไหนมันก็จะตื่นเวลานั้นแล้วเหมือนพอเราทําอะไรแล้วมันจะชินกับการกระทํานั้นๆไม่ว่าจะหลับหรือจะตื่นพอถึงเวลามันก็จะง่วง พอถึงเวลานอนเสร็จถึงเวลามันจะจะตื่นมันก็ตื่นถ้ามันเคยตื่นเวลาไหนมันก็จะตื่นเวลานั้นคำถามจากทางไลน์ค่ะในกรณีที่แม่คิดถึงลูกที่เสียไปไปก่อนวัยอันควรคิดถึงมากเหลือเกินทำบุญส่งให้ลูกตลอดจะเป็นการผูกเขาไว้หรือเปล่าคะอ๋อไม่หรอกเขาการผูกนี้ต้องอยู่ที่ตัวเขา ถ้าเขาคิดถึงเราห่วงเรานเขาก็จะผูกตัวเขาไว้กับเราแต่เราคิดถึงเ้านี่เราผูกเขาไว้ไม่ได้แต่เราจะผูกกับเราไปติดกับเขาได้ตอนที่เราตายไปแล้วสมมติเราตายไปแล้วลูกยังอยู่เราคิดถึงลูกเราก็จะอยู่วนเวียนอยู่ใกล้ลูกอย่างนี้ได้อยู่แต่ตอนที่เรามีร่างกายเราไปไม่ได้เราต้องอยู่กับร่างกายของเราไปจนกว่าร่างกายไม่มีแล้ว ทีนี้เราก็จะไปไปตามความที่เราอยากไปได้คำถามต่อไปค่ะการถวายทานด้วยการเตรียมอาหารไปถวายที่วัดหรือการนิมนต์พระมารับพัตหารที่บ้านกับการตักบาตรพระมีอานิสงส์ต่างกันหรือไม่ครับคือบุญได้เท่ากันถ้าปริมาณที่เราบริจาคเท่ากันส่วน จะทำแบบไหนก็อาจจะขึ้นอยู่กับความสะดวกของเราของผู้รับก็ได้อันนี้แล้วแล้วแต่ประโยชน์มันก็คือบุญที่ทำนี้ได้เหมือนกันเท่ากันถ้าปริมาณของที่เราทำบริจาคเท่ากันคําำถามต่อไปจากทางไลน์ค่ะพระอาจารย์ครับผมขอคำชี้แนะด้วยครับผมฝึกกรรมฐานห้าปีเต็มตอนนั้นผมไม่มีครูครับ นึกถึงเทพระยะนานเลยภาวนาก็แต่องค์เทพครับพอนึกขึ้นได้ว่าไม่ใช่ทางก็นับหนึ่งใหม่ก็ฝึกอีก8ปดปีครับแต่ก็ไม่มีครูสอนเช่นกันผมก็ภาวนาพุทโธจนวันหนึ่งมีคนมากระซิบที่หูว่าภาวนาแบบนี้ไม่เบื่อหรือลองค่อยๆเปลี่ยนใหม่ดูมาที่ลิ้นปีหัวไหล่ทุกจุดของร่างกายจะมีคนมาสอนตลอดเวลาเลยครับ แบบนี้หมายความว่าอย่างไรครับอาจารย์ก็หมายความว่าเราสอนเราเองไงเป็นความคิดของเราซึ่งก็ไม่แน่นอนว่าจะถูกหรือไม่ถูกควรจะหาครูที่แน่นอนดีกว่าคือหาพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์องค์ใดองค์หนึ่งไม่มีพระพุทธเจ้าก็หาจากหนังสือพะไตไปดกหรือแมเช่นนั้นก็หาจากพระอริยสงฆ์ อย่าสอนตัวเองเพราะว่ามันยากแล้วมันอาจจะหลงทางได้เพราะเราไม่รู้ถูกหรือผิดยังไงคำถามต่อไปค่ะอยากเรียนถามพระอาจารย์ว่าเคยทำผิดต่อพ่อแม่เคยโกหกท่านเราอยากบอกความจริงท่านแต่บอกไปแล้วท่านคงเสียใจมากอย่างนี้เราควรบอกหรือไม่คะอะไรที่ผ่านไปแล้วก็ผ่านไปไม่ต้องไป รื้อฟื้นมันขึ้นมาก็อย่าไปทําใหม่ก็แล้วกันต่อไปนี้ถ้าเรารู้ว่าการพูดการกระทําของเราไม่ถูกเราก็อย่าไปทําซ้ําอีกเนี่ถ้าท่านไม่ถามก็ไม่ต้องบอกแต่ถ้าท่านถามก็บอกได้คําถามจากทาง facebook ค่ะกราบนรรมสการหลวงพ่อเจ้าค่ะมีวัดใกล้บ้านแต่เห็นกิจของประสงค์แล้วทําให้เกิดไม่ศรัทธาเราเลย เลือกไปอยู่ที่วัดไกลๆซึ่งเป็นวัดที่พระสงฆ์ปฏิบัติสำหรับตัวหนูถือเป็นมิจฉาทิฐิหรือไม่เจ้าคะไม่หรอกเราก็ต้องเลือกพระที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบเป็นผู้นำผู้สอนเราถ้าพระปฏิบัติไม่ถูกหรือไม่ปฏิบัติท่านก็ไม่สามารถที่จะสอนเราได้เราก็ต้องเลือกหาที่ที่ สอนเราได้ก็เหมือนกับเราเลือกโรงเรียนเลือกเลือกมหาวิทยาลัยต่างๆเพรก็มีความรู้ความสามารถที่ไม่เท่ากันค่ะคำถามจากคุณแดงค่ะกล่าวเรียนถามพระอาจารย์คนในครอบครัวมีอคติต่อกันและพูดคุยกันน้อยจะใช้ทำข้อไหนมาปฏิบัติเพื่อให้ลดอคติได้ครับ <S <S ก็ต้อง ยอมรับว่าคนเรามีความคิดไม่เหมือนกัน เ, เขาคิดอย่างนั้นเราคิดอย่างนี้เมื่อคุยกันแล้วเกิดการทะเลาะวิวาทกันก็อย่าคุยกันดีกว่า่ อ, าอางฝ่ายก็ตังอยู่กันไปถือว่ า, าไม่ได้เป็นกลุ่มเดียวกันคือถึงแม้ว่าจะเป็นญาติกันแต่ความคิดความรู้สึกนึกคิดมันไม่ตรงกันก็อยู่กันแบบที่เขาเ มีคําพูดว่าให้สมหวนส่วนต่างประสานส่วนเหมือนส่วนไหนที่ต่างกันพูดแล้วทะเลาะกันก็อย่าไปพูดหรืออย่าไปทําส่วนไหนที่เหมือนกันทําแล้วทําได้ร่วมกันมีความสุขก็ทําส่วนนั้นไปคำถามจากทาง youtube ค่ะพิจารณาสินห้ขนาขณะนั่งสมาธิสงบมากครับ ถือว่าปฏิบัติถูกต้องใช่หรือไม่ครับก็จะว่าถูกก็ถูกแต่มันสงบมันไม่สง บ, สงบตเต็มที่เท่านี้อาจจะไม่ฟุ้งซ่านแต่จะสงบเต็มที่คิดจะนาไม่ได้ต้องต้องเพ่งดูอยู่กับอารมณ์ใดอารมณ์หนึ่งเช่นดูลมหายใจอย่างเดียวหรือพุโทโธอย่างเดียวมันถึงจะรวมเป็นหนึ่งเป็นสมาธิได้ แต่ถ้าพิจารณาสินห้ามันก็อาจจะทำให้ใจเบาใจสบายลงไปแต่ไม่ฟุ้งซ่านแต่ไม่รวมถ้ารวมได้ก็ดีถ้าพิจารณาสินห้าแล้วรวมได้เราไม่รู้นะเราไม่เคยได้ยินว่าเป็นอย่างนี้ได้ถ้าพิจารณาแล้วจิตรวมเป็นหนึ่งเป็นอารมณ์เดียวได้สักแต่ว่ารู้ได้เป็นอุเบกขาได้ก็ถือว่าใช้ได้คำถามจากทาง Facebook จากคุณมายคะ่ะ กลาบเรียนถามพระอาจารย์ค่ะอา น, นิสงส์งของการทำบุญที่เรารู้ได้คือความสุขใจใช่หรือไม่เจ้าคะยกตัวอย่างเช่นครั้งหนึ่งเราได้ถวายสังฆทานและได้สวดมนต์ต่อสถานที่วัดตอนนั้นอยู่ท่ามกลางต้นไม้มีความสงบครั้งนั้นมีความสุขใจมากคิดถึงการทำบุญครั้งนั้นทีไรยังรู้สึกมีความสุขทุกครั้งแสดงว่าบุญครั้งนั้น ได้ผลบุญมากใช่หรือไม่เจ้าคะก็ใช่นะสิถ้ามีความสุขใจก็แสดงว่าเราได้ผลบุญผลบุญมันมีหลายหลายส่วนด้วยกันส่วนหนึ่งก็เกิดที่ใจเราก็ในขณะที่เราได้ทําเวลาเราทําความดีอย่างใดอย่างหนึ่งเราก็เกิดความสุขใจขึ้นมาแล้วผลที่ส่วนอื่นยังมีต่อส่วนอีกต่อนหนึ่งก็คือ ผลที่เราจะได้รับจากผู้อื่นผู้อื่นถ้าเขาเห็นเราทําความดีเขาอาจจะชื่นชมยินดีไปกับการกระทําของเราเขาก็อาจจะให้รางวี่รางวัลเรา<ม>หรือชวนเราไปร่วมงานเราไม่มีงานทํำเขาก็อาจจะเชิญเราไปทํางานกับเขาอันนี้ก็เป็นส่วนที่สองซึ่งส่วนนี้อาจจะเกิดก็ได้ไม่เกิดก็ได้ ถ้าไม่มีใครรู้ว่าเราทำความดีก็จะไม่มีใครมาให้รางวี่รางวัลเราส่วนนี้เราอย่าไปหวังหวังแล้วเราอาจจะผิดหวังบางทีเราคิดว่าเราทำดีแล้วไม่ได้ดีอันนี้เราได้ดีแล้วก็คือได้ความสุขใจจากการทำความดีแต่เราไม่มองตรงใจเราเราไปมองตรงส่วนที่คนอื่นจะให้อะไรเรามันก็เลยอาจจะทำให้เราเกิดความท้อแท้ได้ถ้าเราไปมองตรงส่วนนั้น แล้วส่วนที่สองนี่ไม่แน่บางทีก็ได้บางทีก็ไม่ได้แล้วส่วนที่สามก็คือตายไปแล้วบุญที่เราทำนี้ก็จะเป็นอาหารเป็นเหมือนเงินทองที่เราไปใช้ในโลกทิพย์ต่อไปได้เราจะได้ไปเป็นเทวดากันแทนที่จะไปเป็นเปรตกันแล้วส่วนที่สี่บุญที่เราได้ทำไว้เป็นเหมือนเงินที่เราฝากไว้ในธนาคาร พอเรากลับมาเกิดใหม่ในชาติหน้าเราก็จะมีเงินที่เราได้ทําบุญนี้รอเราอยู่เราสามารถไปเบิดในธนาคารบุญคือไปเกิดในการในครอบครัวที่มีฐานะการเงินการทองที่ดีได้นนี้ก็มีอันิสง์ของการทําบุญอยู่ต้องหลายส่วนด้วยกันคําถามจากทาง youtube ค่ะจากคุณวูตีค่ะกราบมาสการพระอาจารย์ขอโอกาสถามครับ ความสงบของสมาธิจำเป็นต่อการปฏิบัติธรรมไหมแล้วครวาสที่หาความสงบไม่ค่อยได้ทำสมาธิไม่ถึงกับสงบจะต้องมีวิธีปฏิบัติให้เจริญขึ้นอย่างไรครับก็ต้องหาเวลาปฏิบัติให้มากขึ้นนั่นเองลดเอาเวลาที่ไปทากับสิ่งที่ไม่ควรทำเช่นไปดูหนังดูละครไปร้องลําทำเพลงไปเที่ยวที่นั่นที่นี่ ก็ต้องเอาเวลาเหล่านั้นมาฝึกสมาธิกันฝึกสติกันทาให้บ่อยทำให้มากขึ้นแล้วมันก็จะได้ผลมากขึ้นไปตามลำดับถ้าเราไม่หาเวลามาทำเราก็จะไม่มีเวลาอยู่อย่างนั้นเพราะเราจะเอาเวลาของเราไปทำกับกิจกรรมต่างๆไปอีกวิธีหนึ่งที่จะดึงเวลากลับมาให้กับการปฏิบัติก็คือถือศีลแปดกันถือศีลแปดมันจะห้ามไม่เราไปทากิจกรรมต่างๆได้ เราจะได้มีเวลามาฝึกสติฝึกสมาธิกันมากขึ้นคำถามจากผู้ประสงค์ไม่ออกนามค่ะคำถามถวายสังฆทานโดยนำซองใส่เงินแล้วเขียนว่าถวายสังฆทานหน้าซองแบบนี้ได้ไหมคะได้เขียนได้เขียนยังไงก็ได้มีความต้องการจะถวายอย่างไรก็เขียนไปถวายค่าน้าค่าไฟถวายจำสำระกน่สง อะไรแล้วแต่เราอยากจะทําบุญแบบไห น, นเราก็เขียนไปเจ้าหน้าที่ผู้รับเงินเขาจะได้เอาไปใส่ในส่วนที่จะเอาไปใช้ต่อไปคําถามจากคุณนิดค่ะกล่าวนมัสการพระอาจารย์อยากถามท่านว่าการที่เราจะไปสร้างกุติให้วดัดเพื่อให้พระได้อยู่ปฏิบัติธรรมแต่ที่วัดนั้นมีเพียงพอสําหรับพระในวัดอยู่แล้วกับการที่เราจะเลือกเอาเงิน ไปทำทานกับคนที่ไม่มีกินแบบไหนสมควรกว่าเจ้าคะก็ดูที่ความขาดแคลนเป็นหลักที่ไหนขาดแคลนเราก็าไปทำที่นั่นที่ไหนที่มีสมบูรณ์แล้วก็ไม่ต้องทำเพราะทำไปก็ไม่ได้เกิดประโยชน์อะไรขึ้นแต่บางคนยังติดความรู้สึกว่าจะต้องทำกับพระทำกับวัดแต่ถ้าไปทำกับพระกับวัดที่ท่านมีเหตุมีผลท่านก็จะรับ เราท่านก็จะเอาไปทำที่ขาดแคลนเช่นหลวงตามหมาบัวเนี่ยคนก็มีศรัทธาจะทาบุญกับท่านแต่ที่วัดท่านมันพอเพียงสมบูรณ์แล้วท่านก็เอาเงินทองไปทำที่ขาดแคลนในยุคแร ก, แรกท่านก็ไปช่วยชาวบ้านสร้างโรงเรียนสร้างอ่างเก็บน้ำอะไรต่างๆที่มันขาดแคลนต่อมาก็มีทางโรงพยาบาลขาดแคลนพวกเครื่องไม้เครื่องมือต่างๆท่านก็ไปช่วย ซื้ อ, อ, อพวกเครื่องไม้เครื่องมือรถพยาบาลให้กับโรงพยาบาลสร้างตึกพยาบาลอะไรต่างๆขึ้นมาตามความขาดแครนอย่างนี้แล้วต่อมาก็มีปัญหาเรื่อง IMF อะไรเนี่ยที่เงินค้างไม่พอใช้ท่านก็หาภาะ ป, ป่ามาช่วยชาติกัน อ, อ, อันนี้ก็ทำกับสิ่งที่จำเป็น ที่ขาดแคลนที่ต้องการความดูแลต้องการความช่วยเหลืออย่าไปดูว่าเป็นพระอย่างเดียวหรือเป็นอะไรอย่างเดียวบางทีศาสนาได้มากเกินไปแทนที่จะทำให้ศาสนาจเจริญกับทำให้เสื่อมได้เพราะหลงทางหลงกับการไปสร้างถาวรวัตถุ ก, กันลืมว่าศาสนาที่แท้จริงอยู่ที่เทธรมที่ได้แสดงไว้ในวันนี้ศาสนาอยู่ที่การศึกษาธรรม ที่ปฏิบัติทำบรรลุธรรมแล้วเผยแผ่ธรรมไม่ได้อยู่ที่การสร้างโบสถ์สร้างเจดีย์สร้างกุฏิอะไรต่างๆเหล่านี้สร้างได้แต่สร้างพอสมควรต่อความก่อการใช้งานถ้ามีพอเพียงแล้วไม่จำเป็นก็อย่าไปเสียเวลาเอาเวลามาศึกษามาปฏิบัติมาบรรลุมาเผยแผ่ธรรมดีกว่าอันนี้เป็นงานหลักของศาสนา คำถามจากทาง youtube ค่ะอยากเรียนถามพระอาจารย์ว่าเวลาออกกําลังกายเราชอบกําหนดการเคลื่อนไหวเช่นเล่นโยคะแบบนี้ได้ไหมเจ้าคะได้ก็เป็นการเจริญสติอย่างหนึ่งเวลาเราเคลื่อนไหวอะไรเราก็มีสติอยู่ดูการเคลื่อนไหวอย่าปล่อยให้ใจไปคิดถึงคนนั้นคนนี้สิ่งนั้นสิ่งนี้ก็เรียกว่ากําลังเจริญสัมมาสติคําถามจากคุณ อ, อภิวัตรค่ะ ขอพระอาจารย์อธิบายเรื่องสังขารวิญญาณนามรูปในปฏิจจสมุปบาทแบบเข้าใจง่ายๆครับสังขารก็คือความคิดปรุงแต่งของเราไงอวิชชาคือความหลงที่มีอยู่ในใจเราถ้าอาวิชชามันจะเป็นตัวหลอกให้เราไปปรุงแต่งถึงรูปเสียงกลิ่นรสไปหาความสุขจากรูปเสียงกลิ่นรส พออวิชชาไม่รู้ว่าความสุขที่แท้จริงอยู่ที่ความสงบของใจก็จะหลอกสังขารให้ปรุงแต่งไปหารูปเสียงกลิ่นรสพอปรุงแต่งปั๊บมันก็จะส่งวิญญาณไปหาตาหูจมูกลิ้นกายเพราะจะต้องใช้ตาหูจมูกลิ้นกายเพื่อที่จะไปได้ดูรูปเสียงกลิ่นรสพอพอตาไปสัมผัสกับรูปเสียงกลิ่นรสก็เกิดความรู้สึกขึ้นมาเกิดความสุขเกิดความดีใจความ พอใจหรือเกิดความไม่พอใจขึ้นมาเห็นรูปที่ชอบก็เกิดความสุขเห็นรูปที่ไม่ชอบก็เกิดความทุกข์ขึ้นมาพอเกิดเวทนาความรู้สึกก็จะเกิดตัณหาความอยากขึ้นมาเห็นรูปที่ชอบเกิดความสุขก็อยากจะได้มากๆเห็นรูปที่ไม่ชอบก็อยากจะให้มันหายไปเร็วๆก็จะเกิดความอยากขึ้นมา พอเกิดความอยากขึ้นมาก็จะเกิดอุปทานความยึดติดอยู่กับสิ่งเหล่านั้นชอบก็อยากจะอยู่กับนั้นไปนานๆไม่ชอบก็อยากจะให้มันหายไปบางทีไม่หายก็พยายามที่จะทำให้มันหายพอเกิดอุปทานก็จะเกิดภาวะคือการที่จะต้องไปหามันอยู่เรื่อยๆไปมีมันอยู่เรื่อยๆพอตายจากภพนี้ก็ไปหาไปเกิดภพใหม่ภาวะก็คือภพทาให้เราไปสร้างภพใหม่ พอเมื่อพบนี้หมดเราก็จะไปต่อสร้างพบใหม่ด้วยการไปเกิดใหม่เพื่อที่เราจะได้หารูปเสียงกลิ่นรสใหม่ต่อไปนียกาปฏิจจสมุปบาทเกิดจากความหนงอวิชชาความไม่รู้ความจริงว่าความสุขที่แท้จริงอยู่ที่ไหนแต่พอเรามาได้ฟังเทศฟังธรรมเราก็จะเปลี่ยนอวิชชาเป็นวิชาเป็นธรรมะพอเรารู้ว่าธรรมรู้ว่าความสุขอยู่ในใจเราอยู่ที่ความสงบเราก็จะปรุงแต่ง เราก็จะหยุดความปรุงแต่งหยุดความปรุงแต่งให้ไปหารูปเสียงกลิ่นรสจิตก็จะไม่ส่งออกไปทางตาหูจมูกิ้นกายจิตก็จะอยู่ข้างในจิตก็จะสงบแล้วก็มีความสุขก็จะไม่ต้องไปเสพรูปเสียงกลิ่นรสไม่ต้องเกิดตัญหาความอยากไม่เกิดอุปทานไม่เกิดอะไรต่างๆตามมาคำถามจากคุณพันธิพาค่ะขอเรียนถามท่านอาจารย์ว่า เราฝึกเจริญสติฝึกสมาธิเป็นการสร้างกุศลให้กับตัวเองไหมครับเหมือนหรือต่างกับการทําบุญใส่บาตรอย่างไรครับก็เป็นบุญอีกอย่างหนึง่งเป็นบุญขั้นสูงถ้าเราทําได้ก็ถือว่าเรามีความสามารถมากถ้าเรายังทําบุญขั้นสูงไม่ได้เราก็ต้องทําบุญขั้นกลางหรือขั้นต่ําไปก่อนบุญขั้นกลางก็คือการรักษาสิ่ต่างๆ บุญขั้นต่าก็คือการทำทานใส่บาตรอะไรอย่างนี้ก็ต้องพิจารณาดูความสามารถของเราถ้าเราสามารถจเจริญสติจเจริญสมาธิได้ก็ไปบวตเล ย, ยจะได้เจริญจะได้เจริญบุญขั้นสูงได้อย่างเต็มที่ถ้าเราจเจริญบุญขั้นสูงได้เราต้องรักษาศีลได้เพราะศีลมันง่ายกว่าการจเจริญสติจเจริญสมาธิ แต่ถ้าเราคิดว่าเราจเจริญได้แต่ยังรักษาศีลไม่ได้ก็แสดงว่าเรายังไม่ได้จะจะเจริญจริงอาจจะเจริญได้แบบพุกนานทีเปีหนทำได้เป็นบางครั้งบางคราวแต่จะทำให้อย่างสม่เสมออย่างต่อเนื่องอาจจะทำไม่ได้ก็ต้องสังเกตดูคำถามจากคุณปาณีค่ะลูกได้เห็นครูอาจารย์ว่าให้นึกถึงบุญที่เราทำมา แล้วลูกก็มีความสุขลูกก็ทำมาแต่บางครั้งลูกนึกไม่ถึงความหลังแบบนี้แสดงว่าลูกสติยังไม่พร้อมหรือไม่เจ้าคะไม่เราทาน้อยทำน้อยมากเลยไม่มีอะไรให้นึกต้องทำบ่อยๆทำเยอะๆแล้วต่อไปมันก็จะนึกได้มากอันนี้อยู่ที่ว่าเราทำมากทำน้อยมากกว่าหมดนั้นเลยก็ใกล้เวลาพอดี